จเจริญพรโยมใครฟังธรรมะหลวงพ่อนะเราจะแข็งแรงอย่างน้อยต้องตื่นมาแต่เช้านะ <c oughs> บางคนก็จอดรถอยู่ไกลเดินเข้ามาเป็นกิโลเลยนะอันนี้เห็นจอดรถอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีก็มีคนเดินออกกำลังตั้งแต่เช้านะแข็งแรง <c oughs> ถ้าตื่นเช้าๆแล้วก็มีเวลาเดินทุกวันก็จะแข็งแรง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 ก็มีแค่ราคะโทสะโมหะมีอยู่สามตัวนี้แหละหมุนเวียนกันอยู่คลองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานะทำไงเราจะรู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำใจเราเราหาความสุขไม่ได้ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสที่มันหมุนเวียนเข้ามาในใจนะกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตใจก็มีความสุขกิเลสมันจะหมุนเวียนเข้ามาในใจได้ยังไงห้ามมันได้ไหมไม่ได้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 ใจมันก็ปรุงราคะขึ้นมาตามหลังความคิดของเรามาเองเราพระพุทธเจ้าท่านเคยตอบคําถามมีคนถามท่านว่าพระองค์มีกรมาราคะไหมท่านบอกท่านไม่มีการมาราคะเพราะท่านไม่มีการมาวิตกท่านไม่คิดนะทำนองเดียวกันถ้าถามว่าท่านจะมีพยาบาทมีโทสะไหมท่านไม่มีเพราะไม่มีพยาบาทวิตกนั้นตรงที่ใจเราหลงไปคิดเนี่ยตรงที่ใจมันหลงไปคิดเนี่ยมันมีโมหะ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 มันจะเดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะเวลาเราเพ่งแล้วมันจะนิ่งกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งทำอะไรก็ผิดธรรมดาเพราะมันนิ่งมันไม่มีไตรักให้ดูงั้นไปเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆคนไหนติดเพงเ่งนะหลวงพ่อต้องคอยคุยคอยแคะบางทีก็ค่อนขอดตัวคอขวายทั้งนั้นเลยเพราะคุยกับวายนะต้องคุยต้องแคะต้งคอนขอดนะเจอทังใจหลุดออกมาจากการเพง่งหลุดออกมา พอจิตใจหลุดออกมาแล้วจะพบว่าจิตใจชนิดนี้นะมันเหมือนจิตใจของเราตอนเด็กๆซึ่งเรายัางภาวนาไม่เป็นดุสีกลับมาเป็นเด็กที่ภาวนาไม่เป็นนะตอนที่เราไปหัดภาวนาเราไปหัดเพ่งอนะไรนั้นเราทำอะไรที่เกินธรรมดาไปละเราต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ธรรมดามดานะต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาใจเราจะแกล้งขึ้นแกวงลงแกวงขึ้นแกว่งลงได้ตามปกติแกวงได้อย่างอิสระ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 ถึงจุดหนึ่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถึงจุดหนึ่งเกิดรู้สึกกายรู้สึกใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตรงที่จิตไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเนี่ยนะเรียกว่ามันมีสติตัวจริงที่หลวงพ่อใช้คําว่าสติตัวจริงจะเรียกว่าสัมมาถสติมันก็ไม่เชิงเพราะสัมมาถสติจะต้องเกิดในอริยมรรคตัวนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรนะขอเรียกมั่วๆไปก่อนว่าสติตัวจริงมีสติตัวปลอมนเยอะนะ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 เข้าใจไม่ได้ตอนนี้คนจำนวนมากที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเข้าใจเป็นแล้วแล้วก็ฟังธรรมมาที่มันประณีตขึ้นไปได้ถ้าจากนั้นน่เราดูลงไอีกเราจะเห็นสภาวะแต่ละอันเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปแต่เป็นโคนละอันคนละานอย่างเราขยับมือเราจะเห็นมันเกิดดับเหมือนรูปกระตูลเลยนะเห็นดับชุบ ป, ปะปะปะเป็นชอชดไปเลยนะนเห็นอย่างนีน้พอเห็นมากเข้ามากเข้าต่อไปใจเริ่มตัวเราหายไปไหน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 ในใจก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองคนดูหนังแล้วอินใช่ไหมก็รู้สึกว่ามีพระเอกมีนางเอกจริงๆรถ้าไม่อินก็รู้ว่านี่เป็นแค่ภาพหลวงตาเมื่อเราจเจริญสติจเจริญปัญญามาถึงจุดที่หลวงพ่อว่านี้แล้วนะมันจะเห็นว่าปรากฏการ์ทั้งหลายที่ไหลผ่านมานี้เป็นแค่ภาพหลวงตาเท่านั้นเองใจจะไม่อินเข้าไปใจไ ม, ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเมื่อใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสติปัญญาเราแก่รอบพอเนี่ย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 กระแสของความรับรู้ออกไปรู้สภาวะภายนอกแต่มันรู้แล้วสักว่ารู้อย่างแท้จริงรนี้รู้อยู่ในอัปปนาสมาธินะรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมติบัญญัติสักนิดเดียวเลยตรงนี้ขั้นไม่มีสมมติบัญญัติละจิตจะมีขันติอย่างยิ่งคือจิตเนนะจะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเรา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 ที่จะทำลายล้างวัตจักรนี้ยเบื้องต้นทำลายไม่ได้จริงนะแค่กรีดมันขาดออกไปเหมือนเราเอาไม้อันหนึ่งกรีดลงไปบนผิวน้นะําน้ำมันแหวกออกไปมันแหวกได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็กลับมาปิดอีกกรีดครั้งที่สองเอาไม้กรีดสั้นไปเอาเล็กไปครั้งที่สองพลังมันรุนแรงยิ่งขึ้นนะมันก็ทางออกไปมากขึ้นนะก็กลับมาปิดอีกครั้งที่สนะน้ำ ม, ม, นะมันเหมือนครั้งที่สาก็แรงขึ้นครั้งที่สเนี่ยมันเหมือนถล่มทลายโลกเลยนะ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 จิตเหมือนกันนะพอจิตนี่มันปราศจากสิ่งห่อหุ้มแล้วมันกระจายเป็นเนื้อเดียวกระจกวาลเลยนะมันจะไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอีกละไม่มีการไปไม่มีการมาที่สําคัญนะไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งมันได้อีกละแต่เดิมเห็นไหมกิเลสมันเข้ามาปรุงแต่งได้พวกเรารู้สึกไหมกิเลสมาปรุงแต่งจิตได้เมื่อเราภาวนาจนสุดขีดนะมันทําลายวัตจักลงไปแล้ว ทำลายสิ่งห่อพุ่มทำลายอาสวะลงไปแล้วอาสวะกิเลสนี่แหละเป็นทางผ่านให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตได้นะพอตรงที่เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งแล้วมันทำลายอาสวะกิเลสลงไปนะทำลายสังโยชน์ลงไปไม่มีช่องเชื่อมต่อให้กิเลสดับพ่าใหม่แล้วนะแล้วมันขุดคุ้ยลงไปจนถึงภวังขจิตนะทำลายลงไปตึงตรงนั้นเลยอนุัยทั้งหลายสลายตัวไปหมดเลย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 ภาวนาต่อไปต่อไปยิ่งอัศาจรรย์ขึ้นเรื่อยๆอัศาจรรย์มากกว่า น, นี้ไปภาวนาเอาเองนะครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ตอบคำถาม <c oughs> ใค่วันนี้เนี่ยเทศได้ยาวครึ่งชั่วโมงแสดงว่าพวกเราเริ่มภาวนาดีแล้วนะ <c oughs> ถ้าใจเราไม่พร้อมจะรับธรรมะนะั้นเทศได้สองสามคำธรรมะนีหมดเลยธรรมะกลัวมากเลยนะกลัวใจที่ปิดกั้น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 แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้แข็งไปเมื่อกี้เนี่ยเราทำให้หลวงพ่อดูสิทำสมถะทำแบบที่เคยทำเลยเออทำแบบที่เคยทำแหละแล้วจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมน้อมใจแล้วรู้สึกไหมตรงนี้เลิกซะเพราะทำอย่างนี้ได้แหละมันถึงไม่เกิดสติปัญญามันจะไปนิ่งนะงั้นต้องออกมากระทบอารมณ์นะเคลื่อนไหวไปเอาใหม่ทาใหม่อย่าน้อมลงไปเริ่มน้อมลงไปแล้วรู้สึกไหม ขอยขึ้นมาอย่าน้อมลงไปรู้สึกไหมจิตสายไปสายมาออให้รู้ว่ามันสายมันเป็นยังไงแล้วรู้มันไปเรื่อยๆมันจะรวมก็ให้มันรวมของมันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบขาดสติรูบลงไปนะถ้าน้อมไปงี้แล้วมันจะรวมแบบขาดสตินะสติจะอ่อนไปสติอ่อนนะแล้วก็ใจไม่ตั้งมั่นอย่าขณะ น, นี้จิตเกิดความสงสัยทราบไหมจิตเกิดความสงสัยก็มีสติรู้ทันลงไปเนี่ยรู้ลงไปอย่างนั้นเลย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 เคื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อว่างๆก็ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรที่บ้านอารีนะสงสัยบ้านอารีคงแตกสักวันหนึ่งใหม่คงรับไหวนะการเรียนน้ำมสัสงพ่นอยู่ไห น, นช่วยยกมือมองไม่เห็นอ๋อผมได้ฟังซีดีหลวงพอ่อแล้วผมปิง้งปิ้งขึ้นมาแล้วผมก็หาซีดีหลวงพ่อฟังมาตลอดครับทั้งเวอร์ชันส า, าลาลุงชินกับเวอร์ชัน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 ก็ อ, อยากจะมาฟังธรรมจากหลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการดูจิตยังไม่มีความชนานาญจึงอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะดูจิตเหรอดูจิตไปหัดอ่านหนังสือนะหัเรื่องหัดรู้หัดดูมีมีหลายหลายเล่มใช่ไหมไปขอเขานะเผื่อเขามีให้แต่อยา่ามีนิดนึงนะคะคือว่าอย่างถ้าเกิดเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจากเวทนา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 กังวลเป็นโทสะเป็นเจตสิกที่แทรกเข้ามาในจิตถ้าเรารู้ทันนี่มันก็แค่เจตสิกกันหนึ่งมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตมุมันก็ดับบังคับมันก็ไม่ไดนะ้เพราะงั้นต่อไปนี้กังวลเห็นไปเห็นความกังวลเกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกนะขอบคุณค่ะใช่ยยเพิ่งขอบคุณนะยังงงอยูเอ่เอาไว้ไปอ่านหนังสือเพิ่มนะอ่านหนังสือ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 หนูมีอาการเบ้าสบายไม่มีอาการโมหะจริตแกคาอยู่สามวันแต่นหนูเข้าใจเข้าใจถึงอำนาจของพระพุทธคุณหนูก็ปฏิบัติมาตลอดแต่นี้พอเข้ามาทำงานเรื่อยๆเนี่ยระหว่างหน้าที่การงานคือหนูเป็นคนตั้งมั่นในความกระตันยูคือแต่กระตันยูทุกๆทุกอย่างที่ที่ที่ที่มีเลยใช่มะแต่นี้หนูไม่เข้าใจผู้คนว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเออ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 เงั้นตรงที่ไปนั่งสมาธิแล้วร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังเป็นสมถะอยู่กลับนมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูเป็นคนใหม่ค่ะซึ่งอยากจะพบพระอาจารย์มานานมากแล้วก็ยังไม่มีโอกาส อ, อ, อยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ก็คื อ, อ, อมีความรู้สึกว่าการกําหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบาง้างครั้ง<ม>ยมียมยอแป๊บหนึ่งนะ โยบที่เพิ่งส่งกันบ้านไปอยังเมื่อกี้มันจะน้อมเข้าหาความนิ่งความสงบเฉยเฉยไม่เอานะถอยขึ้นมาที่ทําจิตอย่างตะกี้ไม่ได้นะอย่างตะกี้ทําไปอย่างนี้เราไปติดสมถะแล้วคราวนี้อีกขี้มโมโหมากเลยเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นอ่ะของโยมนะเชิญเชิญก็การกําหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบางครั้งมีโมหะเข้ามาอมก็จะฟังเรื่องทุกเรื่องที่ลูกน้องพูดก็จะมาคิดอยู่คิดอยู่สักแป๊บหนึ่งก็จะ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 หลวงพ่อครับคือแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่ณตอนนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับเออพอใช้ได้แล้วนะแต่คุณอย่าไปบังคับตัวเองนะอ๋อใช่ันตรีทุกวันนี้มับางทีต้องบังคับมันเหมือนว่ามันแข่งแข่งทื่อๆใช่ครับบังคับแล้วมันจะแข่งแข่งทื่อๆตัวมันจะเกรงครับคุณเอาแค่เท่าที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะครับไม่มีก็รู้นะครับผมรู้แ่รู้ลูกเดียว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 เนี่ยคอยรู้ลงไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีอะไรแลคะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่างนะเวลาทำกรรมฐานในส่วนมนต์กลางๆวางเฉยๆด้ยค่ะไม่เรียดแม้ไรเอาจี่ต่อไปนี้ไปสวดมนต์มากๆนะไปสวดมนต์แล้วก็สังเกตใจอะระหังซ้ำมาใจหนีไปคิดแวบรู้ว่าใจหนีไปคิด รู้สึกไหมเวลาสวดมนต์มันหนีบ่อยนั่นแหละไปสวดมนต์แล้วก็ไปนับดูว่าวันนี้หนีกี่ครั้งพรุ่งนี้สวดอีกนะล้วไปนับดูว่าหนีกี่ครั้งอ้อาวไปให้กันบ้านแล้วไปทำเอานะานนนาต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคือตัวหนูเนี่ยเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการทำสมถะมาโดยตลอดใช่แล้วก็เหมือนกับว่าก็เลยเริ่มเริ่มมาตามดูตามดูนี่รู้สึก บางทีเรามีปัญหานิดหน่อยเนี่ยเราตามดูได้อย่างสบายๆแต่พอปัญหามันเริ่มตเตะมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันหนักทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันผิดทางแต่ว่ามันก็ยังหนักหนูก็เลยเปลี่ยนไปทำสมถะเหมือนที่เคยทำมันก็หนักไปอีกหนูก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยนอนซะเลยแล้วก็เลยลุกกลับขึ้นมาทำใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ไม่มากมันจะไปไ ป, ไปม า, าการนอนนันก็เป็นวิธีต่อสู้อย่างหนึ่ง เคยมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าโยมมายุ่กับท่านมากท่านเหนื่อยหลวงพ่อคืนท่านเหนื่อยนะำสอนสอรเสร็จแล้วพโยมไปนะท่านบอกท่านไปงีบซะหน่อยตื่นขึ้นมาสดชื่นมาดูต่อง่ายเราก็ต้องดูตัวเองนะแต่ไม่ใช่เอาตรงนี้เป็นข้ออ้างนอนทั้งวันเลยนะเพื่อจะได้ดูง่ายดูไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อยากกลับถามอีกสองข้อนะคะคือว่า การปฏิบัติแบบไหนที่ตรงกับจนะของคุณนะของคุณจิตมันทำสมาธิมามากแล้วของคุณก็ออกมารู้กายเลยเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะแล้วก็จุดท้ายค่ะคือเราจะขจัดความเรารู้ว่าัใจกับจงใจเนี่ยมันไม่ดีต่อการตามดูใช่ไหมครับขจัดตรงนี้ยังไงเพราะเราจะตัง้งใจทุกทีเลยมันไม่มีแล้วมัง เพราะเราจะจะจะตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่เราจะทำอะะก็เลยอยากจะขจัดตัวนี้ว่าทำไยังฟังไม่ออกตั้งใจอะไรก็ไม่รู้อ้าวใครส่งจิตไปที่อาจารย์หน่องบ้างที่ถือไม้ไปตะกี้รู้สึกไหมใจเราไหลไปอยู่ที่เขาทั้งๆั้ที่เขาก็ไม่ได้หน้าดูศกนิดเลยอ้าวว่าไป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 จนใจมันตื่นอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ได้เยอะๆเนี่ยรู้สึกไหมขณะนี้ตื่นมากกว่าแต่กี้แล้วเห็นไหมเพอมันตื่นขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาจะโล่งขึ้นมาน้อมให้ซึมไม่ได้นะเดินปัญญาไม่ได้อ่ะต่อไปกับนพัสการหลวงพ่อค่ะหนูขอสองคำถามค่ะหนูไม่เคยถึงถึงวิธีการปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะไม่เคยไปเข้าคอที่ไหนเลยขณะที่ภาวนาเนี่ย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 เช่นไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็รู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆดูจิตอย่างเดียวเนี่ยแรงไม่พอพยายามมารู้สึกที่ร่างกายมากๆหน่อยอย่างร่างกายขนาดนี้ยืนเดินนั่งนอนใช่หไหมเม้มปากอะไรเงี้ยคอยรู้สึกแต่ว่าไม่ไปจ้องไว้นะแค่รู้สึก <c oughs> รู้สึกสบายๆรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ห่างๆใจเราดูเป็นดูอย่างสบายๆอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมทราบค่ <c oughs> นะ เนี่ของคุณดูจิตได้แล้วแต่ว่าแรงมันไม่พอนะสมถะมันไม่พอสมาธิมันอ่อนไปนใจไม่ตั้งมั่นพอเราะั้นคุณต้องมาดูอารมณ์ที่หยาบๆ บ, บ้างอารมณ์ที่หยาบก็คือร่างกายนี่เองนะเะั้นรู้สึกที่ร่างกายบ้างนะหนูรู้สึกว่าหนูจะมีอนุใสของความกโกรธเยอะค่ะเออนะไม่เป็นปัญหาแล้ว ก, วกอ็อยู่ที่เฉยโกรธตัวเองก็มีโกรธ<อ>ที่ตัวเองโกรธไปอย่างเง <ละ S 1> ี้ยเออน ะ, นะให้รู้ทันไปเรื่อยๆอันนี้คือดูจิตหรือเปล่าคะใช่ แต่ว่ารู้ร่างกายไว้ด้วยนะใจจะได้มีกําลังรู้สึกไหมจิตขณะนี้มีแรงมากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะออแต่นี่มันไม่ใช่แรงของเรานะมันแรงเพราะว่ามามองหน้าหลวงพ่อเรา เ, ออเราต้องไปรู้สึกร่างกายเราไว้หลวงพ่อคะเวลาภาวนาในภาวนาในรูปแบบอะค่ะรู้แบบเบาๆรู้รู้ว่ารู้ว่าจิตคิดแต่ส่วนใหญ่มันจะไหลออกมาเป็น ไม่ไม่ไม่มาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องค่ะอืมเออก็ถูกแล้วล่ะจิตมันก็ทํางานของมันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องที่จะไหลเนี่ยก็จะเห็นไหวๆค่ะนั่นแหละไหวๆมันคือไหลแบบอ่อนๆนะมันก็คือไหวปฏิบัติแบบนี้พอจะได้ไหมค่ะหลวงพ่อใช่ได้ใช่ได้พราะหนูทำอย่างอื่นไม่เป็นเออพยายามเนี่ยเมื่อกี้สั่นหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้เราลืมไปตอนเราสายหน้าเนี่ยไหมค่ะขอบพระคุณครับไปให้คนอื่นบ้างมีไหม นามัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สมมติว่าเมื่อก่อนทำสมรถมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจิตเราฟุ้งเนี่ยอัตโนมัติเลยมันจะดึงมาให้เราเต้องพยายามสงบนิง่งหรืออีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราสมมติมีอะไรมากระทบอมองเห็นแล้วอุ๊ยรถจะชนกันละตกใจแต่ใจก็จะนึกต่อว่าเออก็เป็นธรรมดาโลกก็เลยกาลังนึกว่ามัน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 แต่ว่าอยู่ๆจะเลิกเนี่ยไม่ได้เพราะมันเคยชินอย่างนั้นออกมากระทบกับโลกนะมาหางานอะไรทำกระทบกับโลกมากๆกระทบผัสสะบ่อยๆแล้วให้ใจมันไหวขึ้นมาใจของคุณนะถ้าปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะมันจะขี้โมโหร้ายกาดที่สุดเลยปล่อยออกมาแล้วมันจะร้ายแล้วก็มีสติตามดูไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมากขึ้นใจของคุณประคองมากไปหลวงพ่อครับ อันนี้นอกเรื่องนรู้สึกไห ม, มใจขนาดนี้เคลิมไปตอนที่คิดจะคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมันปรุงแต่งทำใจให้อ่อนๆขึ้นมานอกกเรื่องนิด น, นึงนะคะหลวงพ่อพอดีจะคลอดลูกอาทิตย์หน้าแล้ ว, วค่ะหลวงพ่อวพอวยพรหน่อยได้ไหมคะเหรอ <laughs> <laughs> หลวงพ่ อ, อยังท่องคาถาพระโมคคัไอ้พระ อ, อะไรองคุรีมานไม่เป็น <laughs> <laughs> จะอวยพรไงหลวงพ่อก็ไม่เคยออกลูกไม่เคยแถมไม่เคยมีลูกด้วยนะเอานาาไปออกลูกไม่เป็นไรหรอกหมอมันเก่งเดี๋ยวนี้ ย, <c oughs> ยังไงมันก็ต้องออกอะ่ะขอบคุณค่ะมสะการค่ะ อ, อาจารย์คือหัดเพิ่งหัดดูจิตมาพอใช้ได้แล้ว <c oughs> นะที่ฝึกอยู่อะรู้สึกไหมเห็นกิเลสบ่อยบอยรู้สึกครู้สึกไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งยังค่ะนะ ก็คอยดูไปนะเห็นไ้มทุกอย่างเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละภาวนาเป็นละอ๋อค่ะแล้วบางครั้งรู้สึกว่าเองเฉยมากเลยะรู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าเฉยๆอะค่ะไม่เป็นไรเฉยๆรู้ว่าเฉยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะค่ะแล้วบางบขณฑ์ก็รู้สึกอย่างจิตที่เฉยๆถ้าจิตเหมือนตอนเนี้จะเฉยคเพราะประคองไว้นิดหนึ่งอ๋อค่ะถ้าไม่ประคองไม่เฉยหรอกค่ะนะ แล้วเมื่อเเช้ามีความรู้สึกว่าพอตื่นมาปุ๊บใจมันท่องว่ากายนี้เป็นทุกข์ทุกข์ล้วนๆอะไรอย่างเนี้ยมันมันมันเป็นขึ้นมาเองใช่ไหมนั่นะจิตมันสอนธรรมะก็ฟังไปงั้นแหละฟังเล่นๆจิตยังไม่เชื่อค่ะใช่ใช่ไม่เชื่อหรอกค่ะถ้าเชื่อได้ผ้าหนาขาคอ่ะอ่ต่อไปขอบคุณค่ะเหลือสามคนใช่ไหอสตาน อ่าสู้ตายมากล <c oughs> ับมาสักการเจ้าค่ะลุง ม, มีข้อสงสัยค่ะคือเวลาที่เราเห็นจิตนะคะมันจะไม่ได้ตั้งใจเห็นเวลาเห็นเห็นขึ้นมาเองแล้วก็ไปล่อยไปค่ะแต่ว่า เ, เวลาเห็นกายอะค่ะมันมักจะเห็นได้ต่อเนื่องกว่าถูก <จะ S 1> ต้องก็ อ, ง อ, อะไรเพราะกายรูปมันอายุยืนจิตมันอายุสั้นถูกต้องคือมันเหมือนมีตัวนิงๆแล้วมีความจงใจดูอยู่ความจงใจนี้มันจะส่งผลให้เราประคองมากขึ้นหรือเปล่าจ้าหลวงพ่อให้เรารู้ทันว่าจงใจ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 เห็นแล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมเห็นแล้วว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆเห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะมันก็ขยยําเมาค่ะคือถ้ารู้ว่าจงใจก็แค่รู้ไปใช่ไหมใช่ดูเป็นแล้วนะดูเป็นแล้วดูต่อไปอีกเจ้าค่ะครับอ้าต่อไปการรัตการครับพระอาจารย์คือผมว่าผมก็ตัดโลบกดลงเนี่ยผมว่าผมก็ตัดได้เยอะนะครับอืมเพราะว่าปฏิบัติมาก็พอสมควรนะครับอืมอืมก็ ทีแรกก็จะเป็นสมถะอืเพิ่งจะมาอาจจะตังตรงวิปัสนาตรงที่ว่านั่งแล้วผมเคยนั่งแล้วสมาธิก็วบไปเลยนะคือสว่างเฉยๆนะฮะอย่างนั้นสมถะครับพอเที่ยวหลังนี่ผมนั่งผมจะรู้ตัวสู้พร้อมตอนนั้นรู้สึกสมาธิครับอืมก็ถึงปัจจตังเวลาเวลาทำวิปัสสนานะไม่ใช่แค่นั่งแล้วรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่แค่นั้นยังไม่พอนะต้องรู้สึกด้วยว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะ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 ยถาวาริวะฮาปุราปริปูเรนตีสักขะลังเอวเมวายโตทินังเปตาหนังอุปกระปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเเพปูเรนตูสังกปาจันโดพันนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะ